ตอนที่97แผนนี้ได้ผลโชคดีที่อารมณ์ในการรับประทานอาหารไม่ได้รับผลกระทบจากหลิวเคอเคอร์อหลีชิงถิงจึงเจริญอาหารมากกว่าปกติเจ้าชุนหววเอ่ยกระซ้าอย่างอารมณ์ดีว่าดูท่าสีมือการทําอาหารของฉันคงจะสู้ข้างนอกไม่ได้สินะปกติเห็นเธออยู่บ้านไม่ค่อยกินของพวกนี้เลยวันหลังถ้าอยากกินเราก็ออกมาหาอะไรกินข้างนอกกันเถอะจะได้ประหยัดแรงฉันไม่ต้องทําด้วยช่วงสองวันนี้หนูรู้สึกเบื่อ อ, อาหารนิดหน่อยขเขากินน้อยลงอาหารที่แม่ทําย่อมต้องหอมอร่อยกว่าข้างนอกอยู่แล้วคะหลีชิงถิงรีบเอ่ยแก้ เอาเถอะเธอจะกินมากกินน้อยฉันดูออกกินเยอะก็แสดงว่าอร่อยกินน้อยก็แสดงว่าไม่อร่อยเจ้าชุนฮาวาโบกมือเป็นเชิงบอกว่าไม่ต้องเครียดมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ต้องเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีลูกสะใภ้ยอย่างพวกเธอไม่จําเป็นต้องระแวดระวังกันขนาดนั้นเจ้าชุนฮาวาไม่ใช่คนใจแคบอะไรที่พูดออกมาแล้วก็ไม่เก็บมาใส่ใจเธอรู้ดีว่าหลี่ชิงพิงไม่ได้มีเจตนาอื่นเจิ้งอวินาชงออกหน้าไปพบพวกหลี่ขุยเพื่อสั่งให้พวกเขารีบย้ายออกจากเมืองโดยเร็วที่สุด โดยทางเรือนพักรับรองและโรงอาหารจะไม่จัดหาที่พักและอาหารให้ฟรีอีกต่อไปลีขุยหน้าเสียไปทันทีมุมปากกระตุกอย่างรุนแรงอวินชงนี่เป็นความต้องการของเจ้าหรือว่าเป็นความต้องการของชิงผิงพวกเราไม่ได้เจอหน้าลูกสาวมาตั้งนานยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกตั้งเยอะเจ้ามาเลีพวกเรากลับไปเองแบบนี้จะไปอธิบายกับชิงผิงยังไงไม่ว่ายัางไงพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่ของเจ้านะเจ้าใช้พันนี้พูดกับผู้ใหญ่ได้ยังไงกันแค้นแค้น แม่หลีได้ยินหลีคุยพูดจาแข็งกร้าวเกินไปก็อดไม่ได้ที่จะกระแอมไอออกมาเพื่อเตือนให้เขาระวังหน่อยอย่าทำให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดนักเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้ลูกเขยเจ้าเป็นถึงข้าราชาการระดับสูงขนาดนี้จะไม่ยอมให้พวกเราอยู่ต่อเชียวหรือแม่หลีหัวเราะแห้งๆอย่างกระอักกระอ่วน ชิงถิงก็ใกล้จะคลอดแล้วฉันที่เป็นแม่แท้ๆย่อมต้องอยู่ที่นี่เพื่อคอยดูแลนางทางบ้านเราปกติแม่แท้ๆจะเป็นคนดูแลตอนอยู่เดือนให้เองจ ะ, จะได้ไม่ต้องลำบากแม่ของเจ้าให้เหนื่อยแรงถ้าเจ้าเห็นว่าสองพ่อลูกนี้อยู่แล้วเกะกะสายตาก็จัดการส่งพวกเขากลับไปก่อนก็ได้แวลตาของเจิ้งอวินชงมืดคลึ้มลงเรื่องดูแลตอนอยู่เดือนไม่ต้องให้คุณลำบากใจหรอกครอบครัวของฉันจะดูแลชิงผิงอย่างดีเองพวกคุณขืนยังรังอยู่ที่นี่ต่อไปจะยิ่งส่งผลเสียต่อการคลอดของชิงผิงเสียมากกว่านางไม่ได้อยากเจอพวกกกคุณนัรอ นี่หลี่ชิงผิงเป็นคนพูดเองงั้นหรือลี่คุยเก็บสีหน้าไม่อยู่ตวาดถามเสียงเย็นนั่งเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้หาที่พึ่งได้แล้วจริงๆถึงขั้นคิดจะเล่ยพวกเขาไปเฮะอลี่คุยกัดหมัดแน่นฉันพูดตรงๆกับเจ้าเลยแล้วกันพวกเรายัางอยู่ที่นี่ไม่หนำใจถ้าเจ้าจะเล่ยพวกเราไปจริงๆก็ได้แต่ต้องจ่ายเงินมาก่อนปรับใดที่ให้เงินในจํานวนที่เหมาะสมฉันรับรองว่าจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกเลยตาแก่หลี่ แม่หลีได้ยินดังนั้นก็รีบยื่นมือไปจับแขนเขาแล้วเขย่าด้วยความกังวลพูดอะไรออกมาหนะเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาตอนนี้เจ้งางวินชงจะยอมหรือถ้าไม่ได้จริงๆพวกเขาก็ควรกลับไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสที่เหมาะสมกลับมาใหม่วันหลังหลีชิงพิงยังต้องคลอดลูกอีกไม่ใช่หรือแม่หลีขยิบตาให้หลีคุยพลางส่งสัญญาณอย่างบ้าคลาั่งหื้อเจ้างวินชงแท่นหัวร้อยเย็นชาเงินพวกคุณคิดว่าเงินของฉันมันได้มาง่ายๆขนาดนั้นเลยหรือ จริงอยู่ที่ตอนนี้หลีชิงพิงกำลังอุ้มท้องลูกของฉันอยู่แต่พวกคุณอย่าลืมนะว่าลูกสาวพวกคุณแต่งข้าตระกูลเจิ้งถือเป็นการเอื้อมเกินศักวุผู้หญิงข้างนอกที่อยากจะคลอดลูกให้ฉันมีถมเทไปในเมื่อลูกสาวพวกคุณค่าตัวสูงขนาดนี้มิสู้ตอนพวกคุณกลับก็พานางกลับไปด้วยเลยล่ะในเมื่่อยากจะแสดงละครพ่อลูกผูกพันนะก็ควรจะแสดงให้มันเหมือนหน่อยไม่ไม่นะสิ่งที่แม่หลีกังวลที่สุดก็คือสิ่งที่เจิ้งอวินชงพูดออกมานี่แหละถ้าพวกเขาพาหลีชิงผิงกับลูกกลับไปด้วยแล้วมันจะกกลายเเป็นนรรื่ององะไั หากขาดลูกเขยที่ดีขนาดนี้ไปหลีชิงผิงก็เป็นได้แค่ตัวภาระเท่านั้นยินไม่ต้องพูดถึงว่าในท้องยังมีอีกคนนั่นเท่ากับว่าเป็นตัวภาระใหญ่ที่พ่วงตัวภาระเล็กมาด้วยอีกสองคนนางรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวระดับนี้ไม่มีทางเห็นเรื่องเด็กเป็นเรื่องใหญ่หรอกคนเขาไม่ขาดแคลนผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียอยู่แล้วแม่หลีส่งสายตาบอกหลีขุยว่าอย่าทําเรื่องพังต้องรอให้หลีชิงผิงอย่างรากฝังลึกในตระกูลเจิ้งให้มั่นคงเสียก่อนอวิณชงพ่อของเจ้าเขาแค่ล้อเล่นนะ่ะ เขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกขอแค่เจ้าทําดีกับชิงพิงก็พอแล้วพวกเราก็เบาใจพรุ่งนี้พวกเราจะเก็บเข้าของนั่งรถไฟกลับไปเจ้าไม่ต้องกังวล น, นะให้เร็วที่สุดจะเจรเร็วที่สุดแน่นอนเจ้างวิงชงเดินออกจากเรียนพักรับรองพางนึกถึงคําพูดที่ตัวเองเพิ่งพูดไปเมื่อครูอดไม่ได้ที่จะนับถือในความฉลาดของลูกสาวนางเดาวได้แม่นจริงๆงานนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีในที่สุดเขาก็สามารถไปส่งงานให้ชิงพิงได้เสียที ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆหลีขุยนั่งหน้าบึ้งอยู่บนขอบเตียงพางขมวดคิ้วเห็นชัดๆว่าตอนเจอกันครั้งก่อนเจิ้งอวินชงแสดงออกว่าใส่ใจหลีชิงผิงมากแต่ทําไมครั้งนี้กลับทําเหมือนไม่แยแสในใจเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เพราะไม่ได้คลุกคลี ก, กับลูกเขยคนนี้มากนักหลีขุยจึงเดาอารมณ์ของเขาไม่ถูกเลยเห็นไหมแล้วว่าฉันพูดไม่ผิดหลีชิงผิงก็นะง้อจริงๆไม่รู้จักใช้เด็กในท้องบีบบังคับตระกูลเจิ้งให้ดีแม่หลีถอนหายใจไม่ต้องพูดอะไรแล้วพรุ่งนี้เราเก็บของกลับกันเธอมมาาครั้้งนีีีก็ถือวว่่่ไเเสยยท พวกเขากลับไปก็ได้แต่หวังว่าพ่อสามีแม่สามีของหลีชิงผิงจะรีบตายไวๆนางจะได้พลิกบทบาทขึ้นมาเป็นใหญ่ในบ้านถึงตอนนั้นถ้าครอบครัวเดิมจะเอาเงินเท่าไหร่นางก็คงจะประเค้นให้เท่านั้นก็ได้หลีคุยตอบรับอย่างไม่สบอารมณ์พวกเขาสองคนตกลงกันดิบดีแต่หลีเย่อจู่ไม่ยอมเงินสักยวนก็ยังไม่ได้เข้ามือนั่นหมายความว่ากลับไปเขาก็ยังต้องเป็นไอ้หนุ่มโสดขึ้นคานต่อไปพ่อแม่พวกท่านเห็นแก่ผมบ้างได้ไหมผมจะทนรอไปได้อีกกี่ปี ยิ่งอายุมากโอกาสจะได้เมียก็น้อยลงครั้งนี้เราต้องเอาเงินกลับไปให้ได้ไม่อย่างนั้นผมไม่ไปถ้าหลีชิงผิงเสียดายลูกเคยทั้งเงินทั้งทองอย่างเจิ้งอวิง๋งฉงต่อให้ต้องขโมยเงินจากที่บ้านนางก็ต้องขโมยมาให้พวกเราผมไม่เชื่อหรอกว่าตระกูลเจิ้งจะกล้าทําอะไรนางจริงๆรหลีเย่าจูดาทอยอย่างกราดเกลียวผมว่าพวกท่านสองคนเลอะเลือนไปแล้วจริงๆคนเขาพูดไม่กี่คำก็หลอกพวกท่านจนหัวหมุนถ้าพวกท่านอยากกลับก็กลับไปเถอะผมจะไปหาหลีชิงผิงเองเอ๊ะแกจะไปไหนนะ่า แม่หลีเห็นลูกชายทำตัวบ้าบอแบบนี้ก็ร้อนใจแทบแย่นี่เขาคิดจะไปล่วงเกินใครกันน้องเคยแก่คนนี้ไม่ใช่คนที่จะไปต่อแยได้ง่ายๆนะแม่หลีเตือนสติด้วยความหวังดีเรื่องง่ายๆแค่นี้แก่ยังไม่เข้าใจอีกหรือนี่เขาเรียกว่าปล่อยสายยาวตกปลาใหญ่เรื่องที่เหลือแกไม่ต้องยุ่งได้ไหมถือว่าแม่ขอร้องละ่ะแม่จะมาขอร้องผมทำไมผมก็แค่อยากได้เมียถ้าที่บ้านเรามีเงินผมจะต้องทอมาขอเงินคนอื่นถึงที่นี่ไหมในึ่งไม่เห็น ช, ชัดๆว่าขอเงินได้ทำไมจะไม่เอาละ่ะ หลี่เย่อจู่พูดด้วยอารมณ์รุนแรงเอาเป็นว่าพวกท่านไปหาทางมาถ้าพวกท่านคิดหาทางไม่ได้ก็ไม่ต้องมานับว่าผมเป็นลูกอีกต่อไปหลี่คุยโกรธ จ, จัดกับคำพูดของหลี่เย่อจู่แกไอ้ลูกไม่รักดีแกอยากจะให้ฉันอกแตกตายใช่ไหมฮะใช่ยังไงบ้านเราก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งอยู่แล้วชีวิตแบบนี้ผมเบื่อจะทนเต็มทีแล้ว